พยายามทําใจให้เป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลมันวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอน ไปด้วยความไม่แน่นอนทำอะไรก็ตามไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งนั้นผลแห่งความผิดพลาดก็คือความทุกข์จะต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวเหตุอันเกิดขึ้นจากการจากความไม่แน่นอนนั่นเองเพราะงันใจจริงเป็นสำคัญที่จะสร้างความแน่นอนให้แก่ตนเองคนมีจิตเป็นหลัก มีทมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรย่อมเป็นไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้วยเหตุด้วยผลเป็นความแน่นอนการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมก็เพื่อจะให้ใจเป็นหลัก ใจนั้นมีอยู่แล้แลวรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอียงไปตามกิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดๆหน่อยๆก็เอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกพัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอ ความเอเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสต่างๆนั้นยังมีผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราอีกท่านจึงให้สร้างความแน่นอนให้แ ก, ก่จิตใจสิ่งเพื่งพิงของใจก็คือทำทำมีทั้งเหตุทั้งผลเหตุ คือการกระทําไปด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้วเราอย่านำความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลนันดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและอย่าตำหนิตนมาาอำนาจวาสนาน้อย ซึ่งไม่เขาท่าเขา่าทางเป็นลนักษณะเหมือนคนขี้บน่นอยู่ที่ไหนก็บน่นเห็นอะไรก็บน่นเกี่ยวข้องกับใครก็บน่นทำหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนพบคา้าสมคมกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีภรรยาส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ต้องขออาภัยที่บ่นเก่งๆหากไม่ได้หลักได้เกณฑ์ การบ่นให้ตนเองโดยไม่เสาะแสวงหาเครื่องส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สบูรณ์ขึ้นมาอันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาบสิ่งหาบของซึ่งเป็นด้านวัตถุ แต่มีอยู่ภ า, ายใจิตใจด้วยกันทั้งนั้นหากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถะธรรมเริ่มต้นก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ม่เสียจะดิตจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความน้อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลืของประเสรศิฐไม่มีอันใดที่จะประเสรศิฐยิ่งกว่าศาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่อง พยุงสัตว์หรือค้นสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดัแบบดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิกระทธรรมนั่นก็คือออกจากาศาสนธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำรุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงนันนั่นแหลคือความอภภาพของจิตที่ตรงนั้นการกระทํารมของกิตความเป็นอยู่ของจิตต้องบกพร่องด้วยกันเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะไปมองอย่างอื่น เป็นดมล ม, ม, ม, มแรงๆนามที่ว่าตําหนิอํานาจวาสนาเจของว่าน้อยไม่มีอํานาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดแต่ตัวไม่ดีทั้งๆที่เราทําดีอยู่ทําไมเราไม่ดีแล้วไปทําความเสียหายอะไรเราถึงไม่ดีการทําดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรความทําดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดี ไม่ใช่การทำชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีทำหลักธรรมไม่มีนอกจากผลสันตัด อ, อกขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ชนเฉยเท่านั้นกิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตันิดในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันเสมอมาอันใดที่ธรรมชอบกิเลสไม่ชอบแล้วกิเลสก็อยู่กับใจของพวกเราเอง ทำก็อยู่กับใจหากิเลตนี้มากก็ควายแต่จะตำหนิติเตียนทำเหยียบย่ําทําลายทาําัญาจิตใจการที่ยอมเพนตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามไม่ได้มักได้ผลตามความมุ่งมั่นปาจฉนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการตําหนิติเตียนตนว่ามีอํานาจวาสนาน้อยเกิดมาอาพาวาสนาแต่ใครเขาลูกเขเห็นแต่เราไม่ลูกไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตปัญญาจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆ เรากับสามมันในน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตําหนิตรงนี้เฉยแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยทําให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี่ไม่ใช่จะทําให้เรามีความขยันมันเพียงมีแต่จิตใจใจเพื่อบําเพ็ญตนให้มีระดับปันสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่ทำทําลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจนี่ซึ่งไม่ใช่ของดีอันเป็นอุบายคนอุบายของกิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องทร่ำสอนคน ให้เราทราบไว้ว่าอุบายเหล่า น, นี้คือเรื่องของจิตนาบุคล้อ ง, บบงที่ตรงไหนพยายามแก้ไขดัดแตงตรงที่ตรงนั้นถูกต้องกับหลักธรรมที่เจ้าแท้ไม่ผิดจะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อรับการบำรุงอยู่สมัยนี่คือทางที่ถูกต้องใครไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้รู้ที่ไหนรู้ที่จิตวาสนาก็รวมอยู่ที่จิต ร่างกายแตกสลายไปแล้วอำนาจวัฒนาที่สร้างไว้ในจิตก็ต้องติดแน่กับจิตไปจกนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอานาจวัสนาใดๆนี้ซึ่งเป็นสมมติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วตำหนีที่ตรงไหน มีทางตำหนิตนใต้ที่ตรงไหนให้พยายามเร่งในจุดนั้นขึ้นด้วยความภาคเพียรแล้วอย่าไปคิดทางอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวให้เสียเวลาและทำให้จิตใจท้อถอยอ่อนแอไปด้วยการสร้างวาสนาให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนามากก็สร้างที่ตัวของเราสร้างที่ลเล็กและน้อยสร้างมาอยู่ในถ้อยเช่นอย่างตัวเขาสร้างจอมปลวก เห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดเป็นเดือ น, อนก็ไม่ลาบเราจะขุดให้มันลาบเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นแหละมันสามารถสร้างจำตัวได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกวก่าตัวฟันเราก็หลายซี่กาลังเราก็มากยิ่งกวก่าตัวทำไมเราจะสร้าง ตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพีย่ยนจค่เหนือความเพียนไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าได้จัดสรูด้วยความเพียรเราทําไมจัดกลายเป็นคนอภัพไปด้วยความเพียรทั้งๆที่ความเพียรมีมากแต่การเป็นคนอภัพเป็ด้วยล ำ, ำดับๆไม่มีถ้าลงด้วยเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วไม่มีทางอื่น นอกจากจะทำผู้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัชดชัเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆจิตไม่เคยรัวไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยในเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราว ท่านแสดงถึงวิถีจิตที่ดำเนินไปด้วยความจริงสมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามจดิติมิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบอย่างแนบแน่นมีความสุขคันสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจหูดถึงเรื่องปัญญาท่านพิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องถาดเนื่งขันตลอดถึงโลกธาตุ เพ่งเป็นสภาวธรรมทัว่วไปอันควรแก่ปัญญาที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งจริงเราก็เลยเพียงแต่เข้าเข้าใจในคำพูดเฉยแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้ทีนี้เมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิตตภาวานาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตความมีความสงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวานา พอท่านแสดงทําถึงภาพปฏิมาจิตของเรากับกระแสแห่งธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลําดับลําดับกระแสแห่งธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเพลงที่แม่กล่อมลูกให้หลับจนิทหน่ายจิตใจเรามีความสงบได้ด้วยกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงเมื่อสงบได้ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรม แล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลำหนับนและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเข้าโดยลาหนับจงกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาพปฏิบัตินั่นแลจิตยิ่งมีความดุดดืดด่งและทราบซึ่งมัเป็นลาหนักลำหนับมีเพียงขั้นนี้จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟัง ทำทางภาคปฏิบัติยิง่งจิตมีความละเอียดมากเพียงไรสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเช่นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปโดยลำดับด้วยแล้วการทำท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตาม จิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปเดิมดับเครื่อเคริมเพลิดเพลินอะไรพูดไม่ถูกซึ่งลืมเวล่ำเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซากข้อจิตใจไปในตัวไปในตัวและกล่อมจิตใจลงไปในตัวถ้าจิตอยู่ในท่านที่จะความสงบก็เหมือนกับว่ากล่อมลงให้สู่ความสงบจิต กำลังก้าวทางด้านปัญญาก็เหมือนกับขัดเกลวเวลาฟังเทศเหมือนกับ น, น้ำที่สะอาดเข้ามาชั้นล้างสิ่งที่โสโควกคือพายในจิตใจให้มันผ่องใสขึ้นโดยลําดับลําดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังยิ้ยิ่งมีความรักความชอบในการฟังจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลําดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ํำเสมอทุกวันเช่นด้วยซ้ํานอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาส เวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูคิดดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรกไปฟังท่านเทศเสดท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นใดไม่รู้เรื่องเลย เมือกับร้องเพลงให้ควายฟังเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งไม่เคยตําหนิติเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องหูหล้าย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของว่านี่เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิจสับกิตคุณท่านดูกระชอนมาเป็นเวลานา น, านตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆเรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่านวันทีนี้เรามาได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจ เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนน่เราเคยฟังเทศทางด้านปริยัติฟังจงกนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์อาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่พระพระเสด็เราเชื่อแล้วว่าท่านพระพระเสดิจพระกฤษชื่อนามมานาไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาบความโง่มาเอมตัว ความฉลาดยับหนึ่งไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัตธรรมท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายทัานเคยเล่าให้ฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงทำลึกซึ้งมากนี่แต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจนี่ชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตําหน่งเจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันไปตําหน่ท่านก็อปวยกรรมเข้ามาทับข้อเสีอีกทั้งๆงที่หนักอยู่แล้ว หันฟังท่านไป น, น, นานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลําดับลําดับนี่คอยรู้สึกว่าค่อยซึ้งทเทศธรรมเทศนาของท่านเข้าใจพูดถึงองสมาธิแล้วแจ๋วภายใจิตใจจากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลํำดับลํำดับทราบซึ้งโดยลําดับลำดัทีนี้เลยกลายเป็นคนหูสูงไปเแี้วสูงอย่างไร ไม่อยากฟังเทศของใครเลยเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสนะ่ะพูดไม่พูดพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งนักผลนิพพานนาะนเพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผล ปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลําดับลําดับนั่นแหละนี่ละจิตดวงเดียวนี้ขันเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งและเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งทำมาจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มห่อจิตนั้นมันแมมีแต่สิ่งที่ดำดำทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้นทําที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความสกรปรกของจิตนี้มาก เทน้ําลงคุ่นหนึ่งยังไม่ปรากฏความโสกรปรกนั่นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงเทลงล้างชะล้างขัดถูกันอย่างเต็มกํลาลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อยสะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมานี่แหละทำที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ําลงล้างสิ่งที่สกรปรกอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอาจทาอะไรเลยทั้งๆที่เป็นธรรมมันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันโสโปรก จิตเป็นของไม่มีคุณค่าทําแม้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับ mm. เพราะสิ่งที่ต่ากับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้อื mm. ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดํามันจะเอาความแจ้งความขาวมาจากไหนต้องอาศัยการชานล้างเลยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยจะกขึ้นม า, มาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมีเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งที่มาเกี่ยวข้องค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลําดับๆแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเลาะกันเถียงกันยังนําเข้ามาเป็นอัดเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นหนักนี่แหลจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบตัติจากการอบรมตนอยู่โดยสม่ำเสมอ น, น, นี่คือการสร้างวาสนาสร้างอย่างนี้ การตำหนีตัวเองไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทาให้เกิดความอับเฉาน้อยเนื้อต่ําใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราตั้งใจจะมาสลัดปดัดกิเลสออกจากจิตใจแต่เรามา ก, อาก่อปวยจิตใจด้วยอาการต่างๆดังที่กล่าวมันแล้วนี้จึงไม่สมเหตุสมผลที่เราต้องการที่เรามุ่งประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตนนั้นเลยว่าสนามีอยู่กับใจ สร้างตรงตรงนี้แหละตรงที่พูดเนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีอส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสถ้ามีกําลังมากก็ดื้อมากมีกําลังน้อยก็ดื้อน้อยแล้วแต่มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากเท่าไหร่มันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นแหละเราต่อสู้ตรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมา รองภายจในจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภ า, ายในจิตใจของเราเนี่ยมันคอยทําลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเรามาบําเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภ า, ายในจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทําลายเราอยู่เสมอ เราจริงไม่น่าไ ม, ไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรนองใะมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในปา่ามันมาด้วยเพราะมาอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยอืมแล้วว่าเราไป เ, เป็นทบไปบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้บาําเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั้นแนะ่ะกับผู้บําเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นฆ่าศึกต่อผู้บําเพ็ญธรรมแล้วผู้บาําเพ็ญธรรมก็ไม่ทรา ф. บว่ากิเลสมันมาทําลายเราเมืม่ อ, อไหร่เราเลยถือ สิ่งทำลายนั้นความคิดที่ทำลายตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีและติดปัญหาตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาติดกิเลสตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลสถูกทำลายตนเองยังไม่เข้าใจว่าถูกทําลายนั่นเรื่องกิเลสมันสลับทับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สชติปัญญาจะสามารถทราบ ความดีความชั่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในจิตของเราดวงเดียวนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ถ้าจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่า น, านห้ามไม่ให้แข่งอำนาจวาสนากันแม้แต่สัตวดีฉานถ้านก็ไม่ไปดูถูกเยาะหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว เพราะการท่องเที่ยวนวัตตฏสงสารเปรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ลุ่นลุ่นดอนดอนคลุกคลัสะดวกบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชนก็คืออยู่ในสถานที่ลุ่นลุ่นดอนดอนลึกขรุขระลาบากลําบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตพระมหากษัตริย์ที่เรายกย่องว่าท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมือง เวลารถท่านเสด็จไปตามถนนทางลงที่ต่ําท่านก็พระมหากษัตริย์ก็ต้องลงลงไปที่ลุ่มๆดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปื่้นที่สูงก็ขึ้นแต่พระมหากษัตริย์องค์นั้นแหละขึ้นลงต่ําก็พระมหากษัตริย์ขึ้นสูงก็พระมหากษัตริย์องเก่านั่นแหละนี่จิตเวลามันคลุกขะก็คือจิต ด, ดวงนั้นเนี่ยมีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคาราบากก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันอยู่ เมื่อโลกมีทั้งนี้ทั้งชั่วสับ ป, ปะการอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งนี้ทั้งชั่วจะไม่ให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักต่อพืชปฏิบตัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตวนว่าสิ่งไหนควรแก้สิ่งไหนควรตอดถอนสิ่งไหนควรนมอมเป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรมะกล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมด หมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบมันจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีค่าศึกอูก็ต้องสู้อืสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละคือค่าศึกต่อตัวของเราเวลานี้เรามาลบกับกิเลสกิเลสมีอยู่ในตัวของเราเราอจะหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราจะชื่อว่าเป็นผู้หาสแสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลส ย่าให้กิเลสมาหัหหบาลมัดคอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไหมคนอยู่ในห้องขังดีเหรอถูกต้องหายังดีมีทางแก้แต่ถูกต้องขังนี่สิหมดท่ากิเลสกับเราต่อสู้กันนี่เหมือนผู้ต้องหาเวลานี้ใจเ ห, เหมือนผู้ต้องหากิเลสก็มีทำก็มี ทางหนึ่งทางชั่วทางหนึ่งทางย่ำยีทางไหนมีกําลังทางนั้นก็ชนะเวลานี้เราจะเอาทางไหนเป็นทางชนะทางไหนเป็นทางแพ้กิเลสกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวกันเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อชิงชัยได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราใจก็มีหลักเริ่มเชื่อถือตัวได้มีหลักด้วยธรรม หาใจมีหลักด้วยทำใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายนี่คือการสร้างบารมีสร้างอย่างนี้สติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้กิเลสกิเลสยอมขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วอย่างอื่นไม่อยอ ขูดคนขึ้นมาพิจารณาเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาดูเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรหระเรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจถ้าเราสร้างสติปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่มากน้อยเพียงไรตลอดกาลมาแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขพยายามต่อสู้จนได้ชัยชนะเป็นลาดับๆและรู้แถวทางของกิเลสที่มันออกในแง่ในบ้าง พอจะทราบนพอจะดักกันได้พอจะต่อสู้กันได้แล้วพอที่จะมีวันแพ้บ้างชนะบ้างตลอดถึงชนะไปได้เรื่อยและชนะไปเลยได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาอย่าลุนละท่อถอดอย่าให้ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเดียวเท่านี้ในชาตินี้ไม่มีอัตภาพใดที่เราจะได้ต่อไปอีกได้อัตภาพนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วต่อการประพฤติตนให้ดีได้หลักเกณฑ์ จากเครื่องมือคืออัตราภาพร่างกายนี้ก่อนที่เขาจะแตกแกระดับจะให้แตกสลายทิ้งเปล่าเช่นอย่างไม้ที่ล้มทิ้งเกลือนอหเฉยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยก็เสียทรัพยากรของโลกที่นี้อยู่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งภายในร่างกายภายใ น, นจิตใจของเราได้แก่ร่างกายพยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน์มีเท่านี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายอันนี้ทําเสียตั้งแต่บัต น, นี้ เวลาถูกมัดแล้วมันไม่มีทางเหมือนกับนักโทษถ้าเขาได้ตัดสินแล้วเท่านั้นใครจะไปคัดค้านหรือฉุดลากตัวออกมาก็ไม่ได้ต้องเป็นนักโทษอยู่โดยดีมีเวลานี้จิตของเราก็เหมือนกันกําลังเป็นผู้ต้องหาเอาต่อสู้หาทนายขึ้นมาฟ้องกันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายวิธีการต่าง มีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียว <Ừ. S 2> สารนี้เป็นสารสำคัญมากสารต้นก็อยู่ที่นี่สารอุธออทธ ร, รก็อยู่ที่นี่สารดีกาก็อยู่ที่นี่สารต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นยับยี่สู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกสารหนึ่งสติปัญญาหาวบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะ <Ừ. S 2> ขึ้นถึงสารสูงสุด ตัดสินกันขาดโดยประการทั้งปวงได้แก่กิเลสอย่างยากแก้ด้วยปัญญาอย่างยาบกิเลสอย่างกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาอันแก่กรตาสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงสารใการเนี่ยตัดสินขาดกันลงสะบัดลไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปสารไหนอีกทีนี่อยู่อย่างสมบาย นี่โรงศารใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้าลมไฟเป็นเครื่องค้าประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้ขันห้าเป็นเครื่องค้าประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็นสารสถิตยุติธรรมอาอยู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยธรรมว่ากันโดยเหตุโดยผลพิจารณาโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อพิเรตตัวใดไม่ต้องตำหนิตีเตีย น, นตวนว่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายพิเลต ให้มันได้ใจแล้วชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสีย อ, อกเสียใจความทุกข์ความลําบากนั่นคือเราแพ้หุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วอพิเลศมันมีเหตุมีผลของมันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กิเลสได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปนี่กิเลสมันหลอกเราว่า อัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะฮะ <Yeah. S 2> ร่างกายทั้งหมดเนี้หนังก็เป็นเรา <S <S เนื้อก็เป็นเราก็ดูก็เป็นเราผมผลเรียบอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพางในร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้งกับตั้งกันแล้วฮะเรายอมแพ้มันตลอดแม้ว่าสาลไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆ <S <S คราวนี้เราเอาสู้สารขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าสารต้นสารอุทธรสารดุรรกา่าก็ว่ากันลงไปตรงไหนอ้าว แต่งทนาขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสำคัญสำคัญผู้ตัดสินจริงๆก็คือควากษาได้จากปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชาติจริงเห็นชาติเจนจริงๆไหนคนจริงจิงอยู่ที่ไหนอนภาพร่างกายนี้หรือเป็นเราเราจริงเหรือถ้าอัตภาพร่างกายนี้แปตงไปเราจะไม่หมดความหมายไปแล้วหรือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายนะ่นพิจารณากันตรงนี้ ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเรานั้นไม่อยู่กับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้อย่าไปหลงอย่าไปกอบโวยทุกขึ้นมาทุกอยู่ภายในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแบกถามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรอะไรก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดขอบโวยเข้ามาให้เป็นกองทุกข์นี่แหละคือแพ้ตลอดวันตลอดพบตลอดชาติค้นคว้ลงไปเห็นตามความจริงของมันดูหนังเนื้อเองกะดูทุกข์ สิ่งทุกส่วนอันไหนเป็นเราจริงๆค้นลงไปด้วยปัญญาให้เห็นชัดดูลักษณะของมันสีสันวัต น, นะดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นเราจริงหรือความรู้อันนี้กับธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะสีนั้นสีนี้ น, นี่มันเข้ากันได้หรือกับความรู้ถ้าเป็นเป็นเราจริงจความรู้กับแต่นั้นต้องเป็นสภาพเดียวกันแต่นี่สภาพมันก็ไม่เหมือนกันความรู้รู้อยู่มีเท่านั้นไม่มีสีสันมันนะแต่ร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งปิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมดนี เมื่อร่างกายมันแตกอ้าวถ้าว่าเราถือว่าร่ากายนี้เป็นเราร่างกายแตกเราก็หมดความหมายคิปหายวายปวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปตอบภพตอชาติมีอำ น, นาจวาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเราเรานั่นอะ่ะแต่เาราพิจารณาแยกให้มันเห็นชัดเจนถ้าเราไม่ถือร่างกายว่เป็นเราเนี่ยเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนา<ม>เวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนับไปเอานับไป นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนนี้แ่ละคือหลักไตลรลักษณ์ที่ก้าเข้าสู่ชายสมองะภูมิก็คือพิจานาเห็นตามความกินที่ผู้เจ้าทรงสัสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอันนี้จังรูปังอนัตตานั่นตังประกาศกังวันอยู่ทั่วโลกชาตแต่พออยยิ่งทั่วสกุลนาการของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอันนี้จังทุก ข, ขังอนัตตนี้ไม่มีเลย เต็มไปด้วยเช่นนั้นประกาศอูเหมือนกับว่าอย่าเอื้อมมาน้ะมือแล้วตีข้อมือนะ mm. ไม่อายหรือไปยึดเขาว่าเป็นเราเป็นของเรานะ่ะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาต่างอันต่างจริงนี่ท่านผู้รู้สอนไว้ท่านผู้รู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละได้แล้วเห็นความสุขอันสมบูรณ์แล้วด้วยการละการถอนด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้ mm. ให้พิจารณาตามนี้ตามนี้อย่าฝืนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปยอมตัวเป็น ลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเรานั่นคือเรื่องของกิเลสที่พายเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลามเออหนันปัญญาแทรกเข้าไป น, นิจังทุกขอนตตาท่านว่าที่ไหนถ้าแมว่าในขันห้ารูปังนิจังเนี่ยรูปังนัตตานั่นเวทนานิจารเวทนานตตานั่นสัญญานิจารสัญญานตตานั่นสังขารานิจารสังขารานตตาหนั่น วิญญาณอานิจังวิญญาณอนัตตานั่นสัเพธมาอนัตตานั่นต่างเสิคาว่าสัเพธมาตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นพานว่าสัเพธมานัตตาหัวทำทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในยเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอื สุดท้ายทั้งหมดทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นสัปเเอะไรทำมาอะไรจำไม่ได้อนิเวซ่ายะในบาลีทำทั้งปวงไม่ควรถือมันบบอมอมอ่นะนะ น, ทท น, นี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในกิจนั้นเลยกิจจะได้พ้นจากความกดท่วงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระกิจอิสระเสรี นั่นแหละคือกองมหาสมบัตินั่นแหละคือหลักใจที่เลิศประเสริฐสุดในโลกการสร้างจิตใจสร้างหลักใจสร้างด้วยอดด้วยทมสร้างด้วยความรู้ความฉลาดสร้างด้วยความภาคเพียรสร้างด้วยความอุตสาหพยายามสร้างด้วยความเป็นนักต่อสู้เราไม่ต้องกลัวตายปรชาชญ์มีอยู่ทุกคนกลัวตายเป็นไปกลัวก็ไม่พ้นความตายเป็นกติธรรมนาเราต้องรู้ผู้รู้ความตายมีอยู่ ไม่ใช่จะคิดหาจะตายไปด้วยความตายนั้นเมื่อไรความรู้เป็นความรู้ไม่ตายเราจะไปกลัวตายอันใดที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแห่งความรู้ที่มีอยู่สติปัญญาที่มีอยู่ไม่ถอยหลังผู้นั้นแล้วผู้จะปวดเปื้องถึงความอิสระเสรีได้เพราะความไม่ท้อถอยพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยนี่สร้างให้เต็มทีแล้วเราจะไปหาวัถนามาจากไหนอีกเมื่อเต็มแล้วก็เต็มอย่างนี้เองไม่ได้ตั้งร้านขายกันเหมือนสิ่งของ ทั้งหลายแหละอยู่ภาณาราเป็นมหาสมบัติอยู่นี้เอาใจพันอะไรก็ไม่หมดแต่พระพุทธเจ้านสั่งสอนโลกสั่งสอนท่าไลายทั้งสามโลกก็ไม่หมดทำพระพุทธเจ้าออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแหละเราในวารานี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิปวดเปื้อนเราให้เต็มภูมิขึ้นสารดีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาข้านได้อีกเลยพิเรยเอาให้เรียบวุฒ ถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลักเมืองพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาเถอะเมืองพอไม่มีเออได้เท่านี้อยากได้ท่านั้นได้ท่า น, นอยากได้ท่านนั้นยากตะพัดตะผื้เหมือนกับไฟได้เชือ้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟไฟลงไปสิไฟจะแสดงเตลขึ้นมาท่วมไม่เหน็หนเงิว่างไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชือ้ออที่เลดไม่ได้ดับ เพราะความกระทำตามความอยากได้เท่าไหรก่ก็นี่แล้วไม่พออยากนั้นอยากนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นชื่อว่ากิเหร่แล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้สิน้นชีวสแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนนีก็พอนะว่าความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหวยคือการรบพวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายหรอือ นี่หลัพี่นอนสบายเหลือนั่นความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนท่า น, นแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างจิตให้พอตัวขึ้นชื่อชือ่อว่าเมืองพอพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิตเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัววาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราอือเอาละการแสดงธรรมนี้เราต้องควรทักหนี